hmm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 จะเกิดผลเท่าไหร่นะคนบางคนเนี่ยาจาเจอโชคนะมาหาแต่ว่าไม่รู้จักช่วยให้เกิดประโยชน์มันก็เหมือนกับว่าโชคหลุดลอยไปเมื่อสัก40ปีที่แล้วเนี่ยนะคนสมัยนี้อาจจะคนรุ่นใหม่สมัยนี้อาจจะนึกไม่ถึงนะปีที่แล้วเนี่ยคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเป็นมันเป็นเครื่องใหญ่มากทีเดียวนะต้องใช้ห้องทั้งห้องเนี่ย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 หนึ่งประโยคนะต่อกรดาดหนึ่งแผ่นต้องจอะเป็นรูแล้วคําสั่งมันมีกี่ประโยค อ, โอ่ะโอ้มันมีเป็นบางทีเป็นร้อยประโยคนะบางทีเป็นพันประโยคเพราะฉะนั้นคําสั่งเนี่ยมันก็จะหนาเป็นปึกเลยสอดเข้าไปทีละแผ่นทีละแผ่นแล้วข้อประมวลผลเนี่ยมันก็ออกมาเป็นกระดาษเหมือนกันนะเป็นกระดาษแผ่นยาวๆแต่มันมีคนหนึ่งนะที่เขาเป็นคนฉลาดมาก เขาเกิดความคิดแล้วเขาผลิตได้ด้วยนะคอมพิวเตอร์ที่ขนาดขนาดเล็กนะขนาดเล็กแล้วก็มีวิธีการประมวลผลวิธีการใส่ข้อมูลที่ง่ายมากคือพิมพ์มพิ ม, ด, มด้วยแป้นพิมพ์ดีดนะ่ะเครว่างคีย์บอร์ดแล้วก็แสดงผลทางจอโทรทัศน์จอก็เล็กๆนะเครื่องก็ขนาดนะถือได้นะิ้วได้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 แล้วนั่นแหละคือการเริ่มต้นของบริษัท Apple ิลนะวอสเนกเนี่ยเขาเป็นชายหนุ่มคนนั้นแหละนะพอบริษัทีิลเลตพการ์นี้ไม่สนใจเขาก็เลยไปร่วมมือกับสตีฟจ j อบเนี่ยตั้งบริษัทขึ้นมาในโรงรถใช้โรงรถเนี่ยเป็นเป็นเป็นสถานผลิต a p p เปิลพัฒนาเป็น Apple 2ลส p p แอปเแล้วก็ปรากฏว่าขายดีมากเลยและนี่แหละคือ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 ไปสนใจ ถ, ถ้าสนใจป่านนี้ก็รวยไม่รู้เรื่องไปแล้วนะอันนี้เรียกว่าโชคเนี่ยเข้ามาหาถึงสำนักงานเลยแต่ว่าซี CEO เขามอกไม่เห็นถ้าเขาใช้ความคิดหรือว่าคิดนอกกรอบสักหน่อยเนี่ยป่า น, นี้ก็ร่ารวยไม่รู้เรื่องตัวซีก็คงจะกลายเป็นมหาเศรษฐีมีเงินเป็นพันล้านหมื่นล้านไปแล้วแต่ น, นี่เขาก็ไปให้โชคหลุดลอยไปอนนตัวอย่างหนึ่งใกล้ตัวหน่อยนะ เป็นเรื่องของคนไทยชื่อชื่อสมไทยสมไทยเนี่ยนะยากจนมากนะอายุ15นี่ก็ต้องออกจากงานออกจากโรงเรียนไปทำงานหาเงินให้พ่อแม่ครอบครัวยากจนมากทีแรกก็ขายรัตตอรี่ขายหนังสือพิมพ์ขายเสื้อผ้าสำเร็จรูปนะก็ได้เงินไม่เท่าไหร่นะตอนหลังก็ไปยืมรถ ก, กระบะพ่อคันเก่าๆเนี่ยนะเป็นพ่อค้าเร่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 เขาก็เลยนะหันหันหันเหเนี่ยมาคาขยะค้าของเก่าบอกกว่าเ้าเป็นคนมีหัวนะก็กิจการก็เจริญตั้งตัวได้นะออกรถถอยรถ ด, ด้วยรถ ด, ด้วยเงินของตัวเองและจากร้านนะที่มีหนึ่งร้านก็ขยายสาขาเป็นต่อหลังก็ขยายเป็นหลายร้อยสาขานะทั่วประเทศนะอันนี้ผู้ย่อๆสั้นๆกลายเป็นมหาเศรษฐี เดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะเห็นร้านเกร้านร้านขายขยะหรือร้านซีเรซิ่นขยะนะชื่อว่าวงวงพานิดนะไปจังหวัดไหนก็จะเจอร้านวงพานิดเนี่ยนะอันนี้แหละเป็นสาขาของเขาแล้วเดี๋ยวนี้เขาก็มีโรงงานร e c y c l e ลขยะทันสมัยที่สุดในเอเชียสมัยเนี่ยเขาเจอโชคเขาไปขอพระบาทฤษณราฐนะขอให้ได้มีโชค แล้วเขาก็เห็นโชคผ่านมาเดี๋ยวนั้นในวันนั้นเลยนะไม่กี่ชั่วโมงก็เห็นโชคผ่านมาโชดน้ํามาในรูปซารลิงแต่ว่าถ้าเขาไม่มีหัวคิดหรือไม่มีสติปัญญานะไอ้โชคนี้ก็จะผ่านหน้าเขาไปเฉยๆยงั้นแหละแต่ว่าเนื่องจากเขาเนี่ยนะมีหัวคิดพอรถซารลิงผ่านมาเขาก็เาก็สามารถจ ะ, ะเกิดความคิดขึ้นมาแล้วเขาก็ได้โชคอย่างที่เขาต้องการนะแต่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 จะราแต่โชคอย่างเดียวไม่พอต้องอาศัยความสามารถของเราโดยเพราะความเพียรเข้าไปประกอบและเป็นตัวการสําคัญด้วยอัจฉริยะเก่งแค่ไหนถ้าไม่มีความเพียรนะก็ไม่สามารถประสบความสําเร็จได้นะอย่างไอน์สไตน์เนี่ยเขบอกว่าอัจฉริยะเนี่ยมันช่วยได้หอีก 99% ต้องอาศัยความเพียรพยายามเพราะฉะนั้นเนี่ยนะปีใหม่เนี่ยถ้าเราอยากได้ความสุขความเจริญนะอยากจะ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 มันต้องมีเวทนามีตัณหาอุปาทานพบชาติชรามรณากอนะมันถึงจะลงเอยด้วยทุกคือโสกปริเทวะทุกขโทมมนัดก่อนเมื่อมีผัสสะเนี่ยก่อนที่จะไปถึงทุกเนี่ยนะโสกปริเทวะคือความโศความร่ำไรำรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความแค้นใจเรียกรวมว่าทุกเนี่ยก่อนระหว่างผัสสะเนี่ยแล้วก่อนจะไปถึงเวก่อนจะไปถึงทุกเนี่ยนะมันมีต้องหลายขั้นตอนนะ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 แต่ทันทีที่มีความรู้สึกหรือสําคัญมันหมายว่ากูปวดกูปวดนี่แหละใจมันถึงจะทุกข์นะมันมีการปรุงแต่งเกิดขึ้นนะหรือว่ามีการให้ค่าถ้าเราถ้าเราได้กลิ่นบางกลิ่นเนี่ยทันทีที่เราให้ค่ า, ามันเหม็นเนี่ยเราทุกข์เลยแต่กินเดียวกันบางคนให้ค่ า, ามันหอมนะไม่ทุกข์ฝรั่งได้กินกะปิเนี่ยเขาให้ค่าตีข้าวามันเหม็นนะเขาทุกข์เขาไม่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 ที่มันใจทุกข์เพราะอะไรเพราะใจมันอดทนทนไม่ได้ใจมันมีการตีโพยตีพายโวยวายกูปวดกูปว ด, ปว ด, ปวดหรือว่าทําไมถึงต้องเกิดขึ้นกับเราเนะีเราอุตส่าห์ทาความดีสร้างมูลสร้าุปสนเราอุตส่าห์ออกกำลังกายกินอาหารชีวจิตนะกินอาหารออร์แกนิกอันนี้แหะคือการปรุงแต่งที่มาไปที่มันไปไปซ้ปําเติมตัวให้ทุกข์นะแต่ทันทีที่เรานะามีสติรู้ใจนะเวลามัน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 ถูกหรือผิดก็แล้วแต่นะแต่มันก็ช่วยลดอัตราได้สมัยที่หลวงปูข่ขาวยังมีชีวิตอยู่เนี่ยวัดทำกองเพลนมีแม่ชีคนหนึ่งนะชื่อแม่ชีสาเป็นแม่ชีที่อุปถักคพระเนนดีมากและยังมีเวลาปฏิบัติธรรมนะอาจจะใช้เวลาปอุปถักคอาจจะโชว์อกาศตอนอุปถักคพระเนร น, นี่แหละนะเป็นการปฏิบัติธรรมไปในตัวก็ได้หลวงปูข่ขาวก็ชมนะแต่วันหนึ่งหลวงปูข่ขาวก็สั่งให้พระสองรูปเนี่ยซึ่งเป็นลูกศิษย์เนี่ย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 ที่ช่วยขูดกิเลสนะช่วยลดละอัตตาเนี่ยก็คือนะคือตัวอย่างการรู้จักใช้นะใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เกิดขึ้นแม้ว่ามันจะเป็นมันจะเป็นอนิจฐานลมนะอนิจฐานลมก็คือรูปลอกลกินเสียงสัมผัสที่ไม่น่าพอใจหรือว่าโลกธรรมฝ่ายลบก็คือเสื่อมราบเสื่อมยศหรือว่าถูกนิทาของหายเนี่ยนะแทนที่จะคล่ำครวญซ้ําเติมตัวเอง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 ถึงเวลาที่เราเจอหนักก่อ น, นี้นะต้องเสียต้องเสียมากกว่า น, นี้หรือแม้กระทั่งเสียชีวิตคือตายนะเราจะทำใจได้อย่างไรลองคิดแบบนี้บ้างนะมันจะได้ เ, เป็นแบบฝึกหัดนะพัฒนาจิตใจของเราเหตุร้าอย่างอื่นก็เหมือนกันนะความเจ็บป่วยนะของคนรักเวลามีคนรักเนี่ยเช่นพ่อแม่เจ็บป่วยเนี่ยบางคนก็ร่วมอกุ้มใจมากนะ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 ก็มีได้เห็นความรักของเพื่อนโอ oh, oh, ้เพื่อนฝูงนี่มาเยี่ยมเยอะแยะเลยนะตัวบอโชคดีอีกอย่างนึงคือแต่ก่อนนี่ไม่เคยได้กินรังนกได้กินซุปไก่เลยแต่ตอนป่วยนี่โอ้โ oh หมีกินทุกวันเลยนะสมเดือนยังไม่หมดเลยโชคดีนะว่าได้กลับมาเป็นคนหนูนะให้พ่อแม่มาดูแลตัวบอตอนวิทย์1ิบหกเนี่ยไปม า, มาเรียนต่อที่กรุงเทพก็ไม่เคยได้ใกล้ชิดกับพ่อแม่เลย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 เธอบอกว่าเนี่ยโชคดีนะที่ว่าไอ้ความเจ็บปวดของเธอเนี่ยรอบนี้เนี่ยมันไม่นานนะเธอรู้สึกปวดแค่วันเดียวนะแล้วก็พอตื่นขึ้นมาก็ไม่ก็จำอะไรไม่ได้แล้วก็เลยไม่มีความทุกข์ที่จริงถ้าเธอวางใจไม่เป็นนะไปคิดตีโพลตีพายว่าทำไมฉันซวยแบบนี้นะฉันทำอะไรนะไปคิดถึงเหตุการณ์ในอดีตก็คงจะทุกข์มากเลยแต่ว่าเธอไม่มี ความคิดแบบนั้นนะปล่อยวางได้เธอก็แจกแจงนะว่าโชคดีเนี่ยกี่อย่างรวมแล้วส5บอย่างนี่คนที่เกือบตายนะจากการที่ถูกมิจฉาชีพเนี่ยมาดึงกระเป๋าไปแต่เธอก็สามารถจะเห็นโชคในเคราะห์ได้พุทธเจ้าตรัสว่าเนี่ยผู้มีสติย่อมโชคดีทุกเมื่อ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 แต่ถ้าเกิดว่าเรานะรู้นะรู้จกักรักษาใจไม่ให้ทุกเวลาเกิดเหตุร้ายเหล่านี้แล้วก็ตั้งสติได้สามารถจะใช้ปัญญาใคร้ครวนสิ่งที่เกิดขึ้นเหตุร้ายแล้วก็ก็จะกลายเป็นของดีนะซึ่งจะทำให้เราเนี่ยสามารถจะเป็นสุขได้ขอให้เราลึกว่าเจออะไรก็ไม่สำคัญแต่กว่าใจเราเป็นอย่างไรนะเจอร้ายนะแต่ใจเราเนี่ยมีสติมีปัญญา